บําเบลอตนเองให้หมกมุ่นในการมคุณเนะ่ยแต่สมณะสากยะบุตรเนี่ยนะของพระผู้เมียภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์มีชีวิตเป็นที่สุดตลอดชีวิตนะบวชเข้ามาเนี่ยเอาชีวิตเป็นที่สุดเลยไม่เคยแปรเปลี่ยนไปเลยโดยส่วนใหญ่พระในสมัยกงพุทธการเป็นแบบนี้นะไม่ค่อยมีรอกบวชออกมาปีหนึ่งสองปีสามเดือนเจ็วันสึนะ้นไม่มีรอกนี่มายุคหลังนี่แหละเป็นยุคที่แปลกประหลาดประหลาดเนี่ยนะ เข้ามาในพระธรรมวินัยแล้วเดี๋ยวกระโดดออกไปอะไรต่างๆเหล่านี้แต่หมายก่อนไม่เพราะเขาเห็นว่าพระธรรมเป็นธรรมดีไงเป็นผู้ปฏิบัติบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นในรายละเอียดตรงนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่านั่นแหละคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยมีความศรัทธาอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเล่าสรุปตอนนี้เลยนะในขณะที่พระเจ้าเปรตที่โกศลไปพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่นั้นน่ย ทีคักการยานาเนี่ยนะซึ่งเป็นเสนาบดีเนี่ยก็เมื่อระแวงอย่างนั้นเบสเสร็จก็หันมาทั้งวิถูสภาซึ่งเป็นลูกชายของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกสลสนที่เกิดจากนางทาสีนั่นแหละที่ว่าถูกตำหนิไปทีห น, นึ่งที่กลับไปเยี่ยมพระประยุรญาตแล้วไปไปมาก็ไปรู้ละความจริงว่าตนเองนั้นเกิดเป็นลูกของของนางทาสีนของคนใช้ก็ นั้นมาถามว่าพ่ะสหายจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือไม่เป็นถ้าไม่เป็นตนเองจะเป็นเองพระเจ้าวิถูธพาก็บอกงั้นเป็นพราะเป็นก็เลยยกสเสวฉัดให้กับวิถูธพาแล้วก็ให้ทำพิธีเบียเศตรงนั้นเลยแล้วก็เสด็จกลับให้พระเจ้าวิถูธพวเสด็จกลับเพราะเสด็จกลับไปได้ แต่ก็ให้นางสนมกำนันกับไม้เป็นตัวแล้วก็ให้ดาบไว้ด้วยอันบอกว่าถ้าถ้าตามไปก็ตายอ่ะไปไปมาพอพระเจ้าเสด็ที่โกศลกับเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เวลาสกควรแล้วกลับมาเรียบร้อยเลยให้เราทำไงจะตามไปก็ไม่ได้ก็นึกถึงว่าจะต้องไปพึ่งหลานแล้วหลานก็คือใครพระเจ้าชาติศัตรูอยู่ที่ไหนตอนนั้นน่ กงกบิลพัทก็บ่ายหน้าไปกวิลพัททั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนอาหารก็หมดพอไปถึงเมืองราชครื้ประตูเมืองก็ปิดก็เลยไปนอนอยู่หน้าประตูซึ่งเป็นสลาเก่าๆนางนางนางสนมก็พ อ, อก็ไปนั่งกันอยู่ตรงนั้นก็ก็ กังวลกังวายทั้งคืนเลยนะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งตอนนั้นอากาศก็เริ่มเย็นก็มานอนตอนนั้นอายุแปดสิบแล้วก็นอนหนุนตักนางสนมนแล้วก็สวัสดินครสวัสดินคร ต, ตรงนั้นเลยนี่มาพรรู้ว่าเจ้าปอร์เซนต์ที่ตายแล้วก็ร้องไห้คนก็เริ่มมามุงดูนัเข้านัเข้าเรื่องก็ไปถึงพระเจ้าชาติศตูพระเจ้าชาติตูก็มาดูอา้าวพระเจ้าประเสนต์ที่ เป็นลุงลนะั่นแหละเนอะในตนองเป็นลุงเป็นหลานกันนั่นแะก็ทําชาวรนักิจยิ่งใหญ่แค้นมาก <c oughs> แค้นพระเจ้าวิถีธรรมะมากก็จะยกกองกําลังไปเล่นกันหนะึ่งทั้งอมาตย์ก็บอกว่าโอยอย่าทําอย่างนั้นดีกว่าผูกมิตรดีกว่าจะไปสู้ทําไมยะมะสู้แล้วก็เสียศูญเสียกองกําลังเพราะจริงๆก็สมควรอยู่แล้วพระเจ้าวิถีธรรมะก็สมควรได้อยู่แล้ว เนเป็นอย่างนี้แหละการเมืองบุคคลเปลี่ยนการเมืองก็เปลี่ยนการปกครองก็เปลี่ยนไม่มีอะไรแน่นอนพอจะมองสถานการณ์บ้านเมืองออกไหมเนี่ยก็อย่างนี้เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเป็นเรื่องปกตินีก็ชิงกันก็สมอย่างที่พระเจ้าเประเซนที่โกศลไม่ยอมปลูกต้นอานันตโพเห็นไหมที่ให้นาถาพินได้กล่าวเป็นคนปลูกเพราะคำนึงว่าอำนาจตนเองนั้นน่ะไม่แน่นอนเพราะถูก ยือดอำนาจเมื่อไรคนก็จะแค้นก็จะพาไปตัดต้นพืชมาโพเขาให้เยอะก็เลยบอกงั้นให้นาถาพินิกาเป็นผู้ปลูกต้นโพต้นนี้ก็เลยมีอายุยืนยาวมาจนถึงทุกเท้าทุกวันนี้ที่เราไปกราบไหว้กันถ้าไป ท, ที่ที่ประเทศอินเดียไทยไปกราบไหมยังยังใช่ไหมออย่าลืมไปกราบสแิแ่ะเดี๋ยวอายุเดี๋ยวลมให้ใจขาดก่นอนนั่นแลยไปกราบสิสองพันกวีใช่ไหมตอนนี้พระเจ้ายังดารงพระชน อันนี้ก็เล่าเล่าสรุปให้ฟังตรงนี้ดังได้สดับมานะครั้งที่พระเจ้านามว่าปทุมุตระนะพระเจ้าในอดีตนั้นขณะบดีบังเกิดในตระกูลสกุลของหังสวบดีฟังธรรมอัการของพระบรมศาสดาเห็นพระบรมศาสดานะสถาปนาอุบาสกคนหนึ่งในตำแหน่งเอตะทคคาเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกผู้ถวายทานเนี่ยนะเป็นทานบดีนะ กระทำกุศลที่ยิ่งยวดไปปรารถนาตําแหน่งนั้นเนี่ยท่านเกิดทันสมัยพยระพุทธเจ้าปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนาถานปินิกาเศรษฐีเนี่ยท่านเห็นบุคคลที่ถูกสถาปนาในตําแหน่งที่เลื่ท่านก็ปรารถนาฐานะนั้นอย่างเราได้ได้ฟังข่าวของอุบาสกอย่างนี้หรือฟังข่าวอุบาสิกาอย่างนางวิสาขาเนี่ยคิดอยากจะได้ตําแหน่งแบบนี้บ้างไหมหรือช่างหรืใครจะได้ตําแหน่งไหนก็ช่างไม่สนใจแล้ว ไม่เอาอะไรกับเขาแล้วแล้วแต่นี้ท่านก็คิดบังเกิดในเรือนนะต่อมาเนี่ยนะก็เวียนว่ายตายเกิดไปเป็นเทวดาแล้วมนุษย์ตลอดแสนกับด้วยที่ทานเนุศลที่ตนเองทำเนี่ยนะจากพระบัตมุตระสัมมาสมุทิเจา้ามาแสนกับเนี่ยนะอยู่ในสองสถานะมนุษย์กับเทวดาถ้าอย่างเราลนะ่ะ ตั้งแต่พระเจ้าองค์ก่อนจนถึงองค์นี้ยเราอยู่กี่สถานนะรู้ไหมมนุษย์กับเทวดามนุษย์กับเทวดาอยู่อย่างนี้หรือไม่เชื่อไหมว่าอยู่แค่นี้ไม่เชื่อเลยเลยอย่างเราเนี่ยให้สังเกตดูการบําเพ็ญทานากุศลเป็นประเภทโลภะปริวาริตาทานังหรือเปล่าให้ทานที่มีโลภะเป็นบริวานไหมหรือโทสะปริวาริตาทานัง ให้ทานแบบม algorithm. ีโทสะเป็นบริวารแวดล้อมไหมหรือโมหะปริวาลิตาทานังมีโมหะเป็นบริวารแวดล้อมในการเดินทานกุศลไหมศีลกุศลล่ะมีโลภะเป็นบริวารโทสะเป็นบริวารหรือโมหะเป็นบริวารหรือฟังธรรมอ้าฟังธรรมภาวนากุศลมีโลภะเป็นบริวารไหมถ้าใครมีถีน้ำมิท่าเป็นบริวารไม่โลภะกับโทสะเป็นบริวารแวดล้อมถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ ถ้าบุญนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่บป็ประเภทโลภะหนาแน่นโทสะหนาแน่นหรือโมหะหนาแน่นตามสภาพการคนขี้โกดมักโลภมักโกรธมักหลงอยู่อย่างนั้นแหละออกจากอากุศล ธ, ธ, ธรรมอลามกก็ไม่ได้บรรลุอย่าหวังเลยเนะี่ยยากมากฉะนั้นจะให้เจริญทานอกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลอย่าเดินประเภทโลตะโลภะปริตะปริวาริตาทานัง อย่าไปมีโลภะเป็นบริวารอย่ามีโทสะเป็นบริวารอย่ามีโมหะเป็นบริวารเข้าใจไหมมีโลภะเป็นบริวารอย่างไรมีโลภะทิฐิมานะเป็นบริวารเนี่ยนี่กลุ่มโลภะถ้าโทสะเป็นบริวารก็มีโทสะอิสามัฉริยะกุกุจจาเป็นบริวารและมีทีนัมีท่าด้วยทั้งสองตัวเนี่ยโมหะบริวาริตาโอ้โหเยอะเลยถึงเนี้ยโมหะหินิกาเนรทวบอุตจักแวดล้อมด้วยอกุศลสิบสอง ไอสิบสี่อะอกุศลเจไดสิบสี่นั่นแหละทีน่มีท่าแล้วก็วิจิิฉาด้วยอย่าทําพระเจ้าบอกอย่าไปทําอย่างนั้นอนัดพระรยาบอกเธอทั้งหลายอย่าเบียดเบียนตัวเองเลยคือเดินทานกุศลเกอย่าไปเบียดเบียนตัวเองแบบนี้ศีลกุศลก็อย่าไปเบียดเบียนตัวเองแบบนี้ภาวนากุศลมีการฟังทำแสดงทำเป็นต้นก็อย่าไปทําอย่างนี้ าถ้าหากว่าในขณะที่ฟังทมเกิดมันง่วงดำเลยก็ลุกยืนซะลุกยืนเลยเคาะไม่จะไป น, นั่งซึมๆอย่างนั้นเนเป็นโลภะเป็นบริวารแวดล้อมโทสะหรือโมหะเป็นบริวารแวดล้อมเนอะพอจะจับประเด็นได้ไหมเออตรงนี้อย่าไปทำแต่ถ้าเป็นอโลภะอะโทสะอะโมหะดีทานหกอย่างไปดูดิในคำสอน เราจะให้ทานแบบไหนจะรักษาศีลแบบไหนหรือจะเินภาวนาแบบไหนก็ก็เป็นเลือกเอาเนี่ยนึงทีนี้ต่อมานี่นะในพุทธบาทการนี้บังเกิดในตระกูลของสมนมษธีกรุงสาวถีชนทั้งหลายก็ตั้งชื่อแก่เขาว่าสุทัตตะเป็นลูกของสมนมษธี ต่อมาเขาดำรงอยู่ในคารวะาวิสัยเป็นผู้ให้ทานเป็นทานนบดีทำไมจึงเรียกว่าทานนาบดีมีท้าสถานสหายทานและกทานนบดีใช่ไหมสามีทานนั่นเองทานบดีนี่ยขแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรดีทานบดีเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรทานบดีแปลว่าอะไร อ้าวไม่ชี้อยู่ข้างหลังไอ้ทานหบดีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรทานหน้าบดีอะไรนะ <c oughs> อ่าธาสถานนี่แปลว่าอะไรสหายทานนี่แปลว่าอะไรสามีทานแล้วทานหน้าบดีเนี่ยแล้วประธานาธิบดีแปลว่าอะไร เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีฐานเป็นใหญ่ไหมในชีวิตของเราจริงๆเนี่ยตื่นขึ้นมาลมหายใจแรกพบ ว, ว่าคิดอยากจะให้จะให้ทุกลมหายใจเขาออกมีแบบนั้นไหมชีวิตเรามีแต่จะเอาจะเอาอยู่นะจะให้จะให้ที่ไหนแล้วเรามันเป็นฐานหน้า บ, บดีไม่ได้คนที่เป็นฐานหน้า บ, บดีเนี่ยเขาเอาโทษของคนอื่นมาก่อนนะเป็นใหญ่ในการให้คิดที่จะให้ถ้าไม่ได้ให้แล้วไม่ได้กิน ไม่ยอมกินไม่ยอมบริโภคถ้าเราถ้าไม่ได้กินแล้วเราจะไม่ให้ใครมันคนละเรื่องกันเข้าใจว่าแล้วเป็นงั้นจริงไหมตื่นมาเราจะไปรีบซื้ออาหารเราจะไปซื้อเลี้ยงคนอื่นหรือเลี้ยงตัวเองนั่นแหละจะไปซื้อให้โลกแท้ๆยังเห็นของดีๆขอหยิบแต่ปากกินก่อนทำอาหารไปก็หยิบแต่ปากกินไปเรื่อยเงี้ยอันนี้เป็นทานั่วบดีได้ไหมให้คนอื่นก่อนตันเองยอมอดยอมอยากก่อนนะ ก็ตั้งอัธยาศัยว่าถ้าไม่ได้ให้คนอื่นจะไม่บริโภคน่ะแล้วให้ก็ไม่ใช่ให้ของเร็วๆด้วยนะให้ของประณีตด้วยให้ของอย่างดีด้วยก็กลับไปทำเสียจะได้เป็นทานนบดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้ไหมโอ้ทำอย่างนั้นนะ่เนี่ยเนี่ยเวลาผู้มาฟังทำก็นั่งหาน้ำไว้รอเลยที่ถ้าใครอยู่ตรงเนี้ย รีบมาก่อนเขาเลยที่ตั้งน้ําเขาไว้ใครมาก็น้อมเอาน้ำนํำเะน้ําให้เลยให้ทานน่ะก็พ้นทุกได้นะทําอย่างเงี้ยบางแห่งนี่นะเขาทําให้กระทั้งพระขึ้นมาเนี่ก็ เ, เริ่มเช็ดเท้าให้พระแล้วนะขนาดนั้นนะก็ทําอย่างเงี้ก็ทําทําไมก็ไม่ใช่ว่าเขาทําเพื่อเขาต้องการจะทําของที่เลิ่ทําของที่ประเสรศิฐโบราณทําอย่างนี้เลยนะ เวลามีพระขึ้นบ้านเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่รอเช็ดเท้านะใช่ไหมให้พระนั่งนั่งเ บ, บ็เสร็จก็จมเท้าก็นวดเช็ดเช็ดแบบทุกองนะเช็ดอย่างนี้หมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนานๆจะเจอสักลายนี่เจอแต่ละทียังตกใจโอ้ยยังมีเหลือหรือเอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเจอหน้าพระว่าไงท่านสบายดีไห พระกอ็อ้ยอายอายอยากจะคุกเข่าคุยกับโยมเลยหมดเจริญพรนะมาก็อยู่ตามมาแต่เป้าไม่ไม่โอ้ก็อะไรก็ไม่รู้เนะใช่ไหมเรื่องจริงเป็นงั้นจริงไหมแล้วทํากันไม่เป็นอายกันหมดแล้วพระก็อายโยมโยมก็อายพระประหลาดแท้ทีนี้ไม่รู้สังคมเลยอันนี้ขนาดรุ่นเรายังขนาดนี้นะสงสัย ไปสองสามรุ่นนี่สงายผ้าก็ยอมกอดคอคุยกัน อ, อกเจอหน้าพ้าก็มาเพื่อนเที่ยวกันหน่อยก็กลัวจะอย่างนั้นเข้าให้เยี๋ยนี่ขนาดรุ่นศึกษาพิธรมเนี่ยใช่ไหมเลือกเห็นเป็นปรมามัดไปหมดอดี๋ยนอกไม่มีอะไรแล้ววินัยลืมเลยอันนี้เป็นเรื่องวิ น, ยนัยนะเป็นเรื่องวินยัยเป็นเรื่องอัปิจายนะการประพฤติอ่อนน้อมอบบ แล้วยิ่งไปแสดงธรรมไปอะไรที่ไหนไอ้ดูในห้องคล้ายๆจะเคารพก็แล้วไปเจอข้างนอกอยู่ไปคนละทางเลยเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องก็อก็ทำให้คิดอะไรเยอะๆขึ้นมาเยอะเนี่ยผ้าหลายองค์ที่รู้จักกันนะบอกเนี่ยไปช่วยบรรยายแทนผมบ้างดี้ไม่ไปหรอกตามทำไมกลัวโยมกลัวเลย บางองค์ไม่ก็อยากมาเลยมไม่เอาถ้าคุยเป็นตัวเป็นการส่วนตัวเอาให้ไป น, นั่งพูดยางไงยานไม่เอาเราก็ว่างนั้นเน่โอเหนื่อยมากเลยก็งั้นทีนี้สุทัศตาเนี่ยต่อมาก็ดำลงอยู่ในคารวาทิสัยเป็นผู้ให้ทานเป็นทานนบดีได้ชื่อว่าเป็นได้ชื่อว่านาถ า, าปิณิกะนะอันเป็นชื่อที่เขาได้ปรารถนาไว้ผู้มีก้อนข้าวสำหรับคนยากในเี่ย เขาใช้เกวียนห้า้ยเล่มเกวียนเนี่ยบรรทุกสินค้าไปยังเรือนของเศรษฐีที่เป็นสหายของตนอยู่ในกรุงราชคลีในสมัยนะั้นอน า, นาถาปิณิกาเศรษฐีเป็นน้องเขยของราชคลหาเศรษฐีที่กรุงราชคลีเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีแต่ละเมืองเนี่ยนะก็จะต้องมีเศรษฐีประจําเมืองถ้าเมืองไหนมีเศรษฐีเยอะเมืองนั้นเศรษฐกิจก็ดีใช่ไหมประเทศไทยมีเศรษฐีใหญ่อยู่เยอะไหม ไม่เยอะหรอกถือว่าน้อยเท่าเทียบกับต่างประเทศใช่ไหมที่จริงเศรษฐีในประเทศไทยหรือในประเทศทั้งหลายเนี่ยน่าจะศึกษาประวัติของอาณาถะหรือนางวิสาขาจะได้รู้ว่าท่านเหล่านี้จเจริญกุศลกันยังไงจะได้รู้สมัยนั้นราชนาะเศรษฐีนิมนต์พระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุกเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้น จึงได้สั่งทาาสกรรมกรทั้งหลายและพนายบอกท่าเช่นนั้นพวกท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตู่ต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงจงช่วยกันจัดหาอาหารที่มีรสเลิศที่จะถวายภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอันนี้เป็นกิจการใหญ่โตไหมท่านนิมนต์มีพระพุทธเจ้าประทับด้วยใหญ่โตมากเลยนะใครเคยทาบุญเลี้ยงพ้าถึงห้าร้อยลูกหนิมนต์ผ้ามาที่บ้านที่อะไรนะ ร, ร้อยลู เคยไหมไม่เคยเลยหรือไม่จําเป็นนี่กลางเต็นต์ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมกลางเต็นต์ขอใช้สถานที่อีกใครหน่อยก็ได้ทําสักครั้งที่ในชีวิตเนะี่ยใช่ไหมไม่เห็นยากเลยทําอย่างสมัยก้างพุทธการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาก็าหนีมวลพระนี่นะเอาอย่างบ้านของอนะาณาจารย์ปิณฑิกเกษกเศธีนี่นะ ท่านจะมีอาสนะตั้งไว้เลยห้าร้อยทุกวันเวลาพระมาเนี่ยนะท่านจะนิมนต์พระวันละห้าร้อยห้าร้อยมาที่บ้านอาจจะมาไม่พร้อมกันหรืออย่างไรก็แล้วแต่นี่นะมาไปเสร็จท่านก็รับบาตนะก็ไปไปเสร็จก็ตักอาหารใส่พระก็นั่งรอที่อาสนะอุ้มบาตไปถวายถวายถวายบางองค์ก็ฉันตรงนั้นไม่องค์ไม่ฉันก็กลับไปที่ไหนก็แล้วท่านก็เลี้ยงพระอย่างเงี้ย วันละห้าร้อยห้าร้อยอย่างเราก็เลี้ยงสักวันละห้าสิบองได้ไหมไนะสิบก็ได้นะวันละสิบก็ได้วันละห้าก็ได้ไวันละองค์ไม่ได้สักวันเลยเหนื่อยเหนื่อยหมดเลยน้องทำด้วยซิสักวันละองค์ละองค์ละองค์เดี๋ยวนี้ก็คงจะต้องทำอย่างนั้นแหลมะมั่งแต่ว่าจริงๆก็คือโดยมากก็จะนิมนต์มารับเสร็จ แต่ยังว่าเดี๋ยวนี้ก็ความยุ่งยากเราไปจัดให้มันยุ่งยากกันเองแต่ก่อ น, นใช้บาทอย่างเดียวใช่ั้ยแล้วก็มีอะไรไม่ยุ่งยากอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ไปจัดเป็นวงเป็นอะไรโ้ยุ่งยากเยอะเออยอมไปทำประเพณีเสียกันเองในตรงนี้ไม่ใช่พระบางทีพระบางองค์ไปฉันในบาทเขนินไม่รู้จะฉันยังไงแล้วฉันไม่เป็นแล้วก็ลาบากอะไรตนี้ขณะนั้นนะอนาถาปินิกาเศษฐี คิดว่าเมื่อเรามาครั้งก่อนท่านเคร่องบดีนี้จัดธุระทุกอย่างเสร็จแล้วก็สนทนาบาสายกับเราผู้เดียวบัดเนี้ยมีท่าทางเปลี่ยนไปทั้งสั่งทาตกรรมกรทั้งหลายพนายน่าพนายพ่อท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตู่ต้มหุงข้าวต้มแกงช่วยกันจัดอาหารที่มีรถเลือดเป็นต้นเนี่ยก็มาเริ่มคิดอี๋ทาไมถึงเป็นแบบนี้แต่ก่อนนี่นะอาณาถาเวลาจะมาทําการค้าที่กรุงราชครื้นท่านเดินทางมาจากสาวัตถี จะต้องใช้พักเกวียนเนี่ยนะกองเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มเกวียนอยู่ข้างนอกห่างประมาณโยอดหนึ่งจากในเมืองเนี่ยแล้วก็ส่งประเภทม้าเร็วหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีการติดต่อประสานงานกันเพราะว่าเป็นกองกําลังไอเป็นกองค้าที่ใหญ่มากก็ไม่กล้าเข้ามาในเมืองเลยนะียก็ต้องตั้งกระบวนอยู่ข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนในการค้าขายกันระหว่างเมืองต่อเมืองเ่ยอย่างนี้ก็เรียกเป็นการค้าขายระหว่างรัฐต่อรัฐ เป็นไปอย่างนั้นเสถีก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมาครั้งนี้นะตนเองมาพักแล้วก็ครั้งก่อนเนี่ยให้มีทุระเออทำทุระเบ็ดเสร็จก็จะดูแลตนเองอย่างดีครั้งนี้ทําไมเป็นอย่างนี้หรือคงจะมีงานอาวาหามงคลวิหิวาหามงคลประกอบมหาญาณหรือจักทุนเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารจอมคตราชพร้อมทั้งกองพลมาเรียงในวันรุ่งขึ้นกัมังก็คิดอย่างนี้เนะ ครั้งนั้นาราชเชนาเศรษฐีสั่งทาดกรรมกรแล้วก็เข้าไปหาานาถาพินทิกะกคราบดีนั่งสนทนากันณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งานาถก็ได้กคราบดีถามบอกว่าท่านกคราบดีคราวก่อนเมื่อชั้นมาเนะี่ยท่านได้จัดธุระทุกอย่างเสร็จแล้วก็สนทนากับชั้นผู้เดียวนะบัดนี้ท่านมัวสารวนสั่งทาดกรรมกรถ้ากันนั้นพวกท่านจงลุกแต่เช้าตูบ้างต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงนะช่วยการจัดหาอาหารที่มีรสเลิศอร่อย บางทีท่านก็เาดีจะมีงานอาวหะมงคลวิวาหะมงคลหรือจะประกอบมหาญาณมหาญาณก็คือมหาทานนี่ะจะเป็นการแจกทานอย่างใหญ่หรื อ, อยังไงหรือจะทูลเชิญพระเจ้ามีมิสาลหรือเปล่าพร้อมทั้งกองพลมาเลี้ยงในวันพวกนี้ก็มังข้าพเจ้าก็เลยคิดแบบนี้ราชกาัเศรษฐีตอบว่าท่านก็เอาพอดีฉันไม่ได้มีงานอาวหะมงคลนะวังเงนพอตอนมืดแล้วใช่ไหมตอนค่ำก็นั่งคุยกันเรื่องงานวิวาหะมงคลนะ่ะ แล้วก็ไม่ได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามหารัชเนะพร้อมทั้งกองพลมามาเลี้ยงในวันพวกนี้ที่ถูกนะฉันจะประกอบมหายันมหายันก็คือมหมาทานฉันได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเพื่อมาถวายวัะตาหารในวันพวกนี้โอ้โหพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าคำเดียวแค่นี้นะได้ยินคาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตกใจเลย ท่านถามย้ำบอกพระพุทธเจ้าดังนี้ใช่ไหมข้าลงพอดีก็บอกว่าใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ย้ำอีกพระพุทธเจ้าใช่ไหมคล้ายๆว่าเอหูเอือไปหรือเปล่าท่านก็ย้ำบอกจ้าใช่แล้วนิมนต์พระพุทธเจ้าภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประโมกย้ำเนี่ยพอครั้งที่สามแม่เสียงว่าพุทธะ ก็ยากที่จะหาได้ในโลกเอาอะไรจะเนี้อุทานในใจแล้วว่าเสียงเนี้ยเสียงคำว่าพุทธโธพุทธโธเนี่ยเขารู้ความหมายใช่ไหมไม่ใช่พุท่าเข้าโทออกนะพุทธโธเนี่ยหมายถึงตัศรุอริยสัจสี่ตัสรุทุก็ตัศรุเหตุให้เกิดทุกข์ตัศรุความดับทุกข์ตัศรุข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์สะเทือนใจอ่ะ เราคำว่าพุทธโธดิเราเฉยๆมั้ยมีอะไรเกิดขึ้นไว้เนี่ยพุทโธเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าใช่ไหยบอกไม่มีอะไรเนีพระพุทธเจ้าเราเวลาอ่านประวัติของพระพุทธเจ้านี่ตื่นเต้นกันมั้ยหรือเฉยๆเนี่ยตรงนี้บ่งบอกถึงอัธยาศัยคนไม่เท่ากันตรงนี้เนี่ยท่านณะ ท่านคณะบดีฉันสามารถจะเข้าเยี่ยมพระพุทธเจ้าพระอรหันตสตถาสมมาสมุทรเจ้าพระองค์นั้นในเวลานี้ได้ไหมถามทันทีราชกณะเศรษฐีบอกว่าเวลานี้ไม่ควรที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าพระผู้มีภาคอรหันต์ตาสมมาสมุทรเจ้านั้นน่ยควรจะไปเฝ้าพรุ่งนี้จ็ดถึงจะเข้าเยี่ยมพระพุทธเจ้าได้หลังจากนั้นก็แยกกันเข้าที่พัก อนาถาปินิกาเศรษฐีนอนนึกคําว่าพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ตลอดเลยคิดตลอดตึกตลอดจิตเวลาจะคิดเรื่องอื่นไม่เป็นอันคิดแล้วหวนกลับมาคําว่าพุทโธพุทโธก็ชากใจอยู่กับอารมณ์เดียวตลอดเลยทําไงเนี้ยเคยเป็นไหมนอนไม่หลับอ่ะเคยคิดถึงใครสักคนแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเคยไหมไม่เคยเลยใช่ไหม ตอบจริงเคยมะเอ้าคนที่เคยแต่งงานแล้วเนี่ยเคยมะไม่เคยเลยเด้ออ๋ออ๋ อ, อมีเหมือนกันเลยคิดครึ่งคืนเลยจะมาแต่เคยคิดถึงพระเจ้าถึงทั้งครึ่งคืนไหมโอทําไมขนาดนั้นเอาไปคิดใหม่แล้วเนี่ยว่าไงจำนวนก็คิดถึงฮะไม่คิดถึงพระเจ้านะ่ะไม่เคยคิดถึงทั้งครึ่งคืนเนะี่ย โอ้นี่บ่งบอกอะไรชัดเลยเนี่ยเป็นไงเอาไม่ชี้บทมากี่ปีแล้วมีไหมคิดถึงวุฒิญาแล้วนอนไม่หลับอันนี้จะได้รู้จากตัวเองนะรู้จักเขตคือรู้จักพระธรรมพระบาลีรู้จักพุทธพจน์รู้จักพระวินัยบิดอกพระสุตตันตบิดอกพระพิธรรมบิดกรู้จักทีคณิกาย มชิมนิกายสังยุตต่นิกายอังคุตตละนิกายขุทะกานิกายนิกายห้าอยู่ไมรู้จากองค้าวด้วยสุตตะคียะเวยาการณาคาถาอุทานีดีวุตกาเป็นต้น9ก้าอย่างจนถึงเวทาละนั่แหละทีนี้คำว่ารู้แปลว่าเข้าใจรู้จำได้รู้อัตถะรู้เหตุและรู้ผลก็คือรู้ว่าอัตถะรู้ความหมายของคาสอน ประการต่อมารู้จักตนไหมตอนเนี้ยรู้จักหรื อ, อยังหนึ่งตนมีศรัทธาแค่ไหนรู้หรือยังรู้หรือยังถ้ารู้ก็คือว่าในพระพุทธเจ้าเนะี่ยเราคิดถึงพระพุทธเจ้ากันแค่ไหนและที่ปรารถนาพ้นทุกพ้นทุกอะ่ะดูตรงนี้เนี่ยดูคนที่เขาจะพ้นทุกได้เนี่ยเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งคืนกินไม่ได้นอนไม่หลับ เข้าใจยังเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นแบบนี้นี่คืออัธยาศาัยของคนปราถนาพ้นทุกข์เขาถึงบอกว่ามีศรัทธาแค่ไหนมีศีลแค่ไหนสั่งสมสุดตาแค่ไหนตอนนี้จำคำสอนได้กี่คำจาคะ่ะจิตใคิดจตสละเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยคิดจจตสละถึงยี่สิบสี่ครั้งหเอาชั่วโมงละครั้งเนี่ย เอาอย่างหยาบเลยเนนะี่ยปัญญาเอา้ากรรมสักตาปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมแค่ไหนตอนเนี้ยไม่ต้องเดินถึงฌานนะปัญญาวิปัสนาปัญญามากข้อปัญญาผลแล้วปัญญาจะถึงปัจเจกปัญญาลอกเอาแค่ขนาดเนี้ยเขาเรียกรู้จักตนถ้าไม่รู้จักตนเองแล้วหลงไหมหลงหตอนนี้หลงไหมตอนนี้รู้บ้างหรือ ย, อยัง ว่าตอนมีตอนมีศรัทธามากหรือมีศรัทธาน้อยมากหรือน้อยมากเลยน้อยศรัทธาน้อยไม่ใช่ศรัทธามากเจ็ดวันฟังพระธรรมครึ่งวันเนี่ยไม่ถึงครึ่งวันเนี่ยถือว่าศรัทธาน้อยน้อยไหยเหออศรัทธาน้อยหรือมากน้อยศีลแล้วบอกพร่องหรือว่าสมบูรณ์ตลอด เนี่ยเขาเรียกรู้จักตนเองถ้าไม่รู้จักตนเองเนี่ยประเมินสถานการณ์ไม่ออกก็แค่อยากไปรู้แค่นั้นเองเยอะรูปผ้าก็อยากบปรู้ได้มันหลอกเราไม่อยากบปรู้จริงหรอกมันหลอกตอนนี้ท่านก็บอกว่าจากนั้นอนาถาพิณิกาเศรษฐีก็นึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพรุ่งนี้จะเฝ้าพระพุทธเจ้าพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เธอลุกขึ้นกลางคืนสามครั้งสําคัญว่าสว่างนอนตรึกพุทธคุณเป็นอารมณ์ตลอดพุทโธนี่เนียพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วใจก็ล้ำลึกถึงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วพอสักพักหนึ่งเน่ยลุกขึ้นสําคัญว่าสว่างแล้วลุกขึ้นอยู่อย่างนั้นนะสำคัญว่าสว่างนเนี่ยนะทีนี้ ลุกขึ้นสามครั้งเข้าใจว่าสว่างแล้วเนะี่ยก็เดินไปทางที่จะไปประตูที่สีตะวันเนะี่ยพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ประตูเรือนอยู่ชั้นที่เจ็เนยอมนุษย์คือกลุ่มเทวดาเปิดให้เลยตอนนั้นนะ่ะที่ท่านละลึกเนี่ยนะละลึกจนอะไรรูไ้ไมไอ้แสงแสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากตัว อันนี้แปลว่าอำนาจของปลาปีติใช่ไหมปราโมดปสัสสธิปลาโมดปีติปัสสิกว่าแสงสว่างเกิดในยะบอกว่าแสงสว่างนั้นออกพุ่งออกจากกายท่านเลยปีติขนาดนั้น น, น, นี่เหลือประมาณเลยเนี่ยฮะปีติออกจริงนะครับเอออย่าอย่าแปลกใจนะว่าคนบางคนที่เขามีแสงออกจากตัวได้อำนาจของสมาธินี่เหมือนกัน แสงสว่างออกท่านก็เดินเดินมาเรื่อยทีนี้พอเดินเดินเดินมาเบษษีดเสร็จเนี่ยนะแสงสว่างได้หายไปความมืดก็ปรากฏแทนที่ความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองก้าวังเกิดแล้วเธอคิดก็จะกลับจากที่นั้นเด็นดีทั้งทั้งตอนนั้นประตูเมืองเปิดเลยเนี่ยนะขณะนั้นน่ะซีวะกะยักษ์ไม่ปรากฏรูปร่างได้ยินได้เสียงได้กล่าวคาถาเว่กล่าวคาถา บอกว่าช้างหนึ่งแสนม้าหนึ่งแสนรถม้าอัสดรหนึ่งแสนสาวน้อยประดับต่างหูเพชรอีกหนึ่งแสนก็ยังไม่เท่าเซี่ยวที่16แห่งการย่างเท้าไปเก้าหนึ่งเชิญเก้าไปข้างหน้า